จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่เป็นวันพระเป็นวันธรรมวสวนะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติไว้ให้ศาสนิกชน อุบาสุาสิกาได้มีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานเพื่อจะได้มาที่วัดเพื่อประกอบคุณงามความดี ส, สร้างสิ่งที่ดีงามคือความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ ท่านได้มาที่วัดกันเพราะที่วัดนี้มีมีเหตุมีปัจจัยมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อให้เราได้ปร ะ, ประกอบคุณงามความดีกันในวัดก็มีพระสงองค์เจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ที่สมควรแก่การรับสิ่งของบริจาคต่างๆเพราะ พระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่เป็นท่านไม่มีอาชีพไม่มีรายได้อะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตให้พระสงฆ์องค์เจ้าออกไปทำมาหากินเลี้ยงชีพแต่ได้มอบไว้ให้กับศัทธาญาติโยมเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อท่านจะได้มีเวลาไม่ต้องมากังวล เกี่ยวกับเรื่องการธรรมหากินจะได้มีเวลาทุ่มเทไปกับการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บรรลุถึงธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทรงบรรลุถึงแล้วเมื่อได้บรรลุถึงธรรมนั้นๆแล้วก็จะได้นำธรรมอันวิเศษอันประเสริฐนีม้มาเผยแพร่เผยแผ่ให้กับ ผู้ที่ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เห็นพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสามารถนำพาสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปสู่ความสุขความเจริญการพ้นทุกข์ได้อย่างโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์โลกได้ เท่ากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อาการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุ ธ, ธรรมและการเผยแผ่ธรรมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้สิ่งต่างๆสิ่งอย่างอื่นนั้นเพียงแต่เป็นเครื่องสนับสนุนเท่านั้นเช่นที่อยู่อาศัยของพระ ที่ญาติโยได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นมาเป็นถาวราวัตถุต่างๆมีคุติวิหารศาลาต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญถึงแม้ว่าจะไม่มีคุติวิหารศาลาโบสถ์ต่างๆาศาสนาก็ยังสามารถดำเนินไปได้ถ้าตาบใด มีผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมแล้วนำธรรมนั้นมาเผยแผ่นี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพระพุทธศาสนายิ่งกว่าสิ่งอื่นๆใดด้วยเหตุผลดังนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์องค์เจ้าออกไปทำมาหากินเลี้ยงชีพทำการซื้อขายต่างๆแต่ให ทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้อยู่กับการศึกษาการปฏิบัติและการบรรลุธรรมเป็นหลักและเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วจะได้นำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเครื่องพาจิตใจให้ไปสู่ความสุขและความเจริญความเป็นสสริปมงคลทั้งหลาย ดังนั้นเวลาที่ญาติโยมมาวัดญาติโยมก็จะได้มีโอกาสได้ทำบุญคือได้มาทำนุบำรุงพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยการนำอาหารยารักษาโรคจีวรมาถวายพระเพราะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพนี่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้า ส่งมอบหมายให้กับศรัทธาญาติโยมคือคารวะผู้ยังครองเรือนอยู่เพราะคารวะผู้ครองเรือนนี้มีอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะพร้อมด้วยปัจจัยสีท่ที่ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเมื่อมีมากเกินความจำเป็นคือมีมีเหลือเฟือก็ควรที่จะนำเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่น โดยส่งให้เลือกสงเคราะห์คนดีก่อนเพราะว่าเมื่อสงเคราะห์คนดีก็เท่ากับการได้ส่งเสริมคนดีให้ประกอบคุณงามความดีคนดีมีมากน้อยเท่าไหร่ในสังคมย่อมนำความเจริญความสุขความสงบมาแก่สังคมในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนไม่ดีมากน้อยเท่าไหร่ย่อมนำมาสึ่งความเดือดร้อนวุ่นวาย ในสังคมดังนั้นเวลาที่เราจะทําบุญสงเคราะห์ผู้อื่นในเบื้องต้นก็ควรที่จะเลือกคนดีไว้ก่อนเพราะคนดีนี้จะทําคุณทําประโยชน์ให้กับสังคมเหมือนกับถ้าเรามีที่ผืนหนึ่งถ้าเราปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าผลไม้ที่ออกดอกออกผลมีคุณค่า มันก็จะทำให้เราได้รับผลประโยชน์จากการปลูกต้นไม้เหล่านั้นแต่ถ้าเราปล่อยให้วัชพืชหญ้าต่างๆขึ้นมาหญ้าเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากไม่เกิดประโยชน์เลายัางทำให้ที่รกรุงรังชั้นใดคนเราก็เป็นอย่างนั้นคนดีย่อมสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับสังคม คนไม่ดีย่อมมีแต่จะทำลายสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสังคมดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสมาทำบุญสงเคราะห์คนดีจึงเป็นบุญของเราเพราะเราก็จะได้รับประโยชน์จากการทำบุญสงเคราะห์คนดีในเบื้องต้นก็เป็นการชำระจิตใจของเราใจของเราก็จะได้ รับการขัดเกลวให้มีความโลภน้อยลงไปให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลงไปให้มีความตระหนี่น้อยลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกขัดเกลวออกไปก็จะทำให้จิตใจมีความสะอาดขึ้นมีความเป็นสุขเพิ่มขึ้นมาเพราะ ความตนิชก็ดีความโลภ ก, ก็ดีความเห็นแก่ตัวก็ดีเป็นเหตุของความเศร้าหมองของจิตใจทําให้จิตใจไม่มีความสดชื่นเบิกบานเมื่อเราได้กําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจด้วยการทําบุญให้ทานก็จะทําให้เราเกิดมีความรู้สึกปิติมีความสุขมีความสบายใจ อย่างที่ท่านทั้งหลายมีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านได้เอาชนะสิ่งเลวร้ายสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ให้กับตัวท่านคือความโลภความตเน่ความเห็นแก่ตัวให้เบาบางลงไปและถ้าท่านสามารถดำเนินทาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตใจของท่านก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากการทำบุญให้ทานอันนี้ นี่ก็คือประโยชน์อันแรกที่จะได้รับในขณะที่มาทําบุญให้ทานสงเคราะห์พระสงฆ์องค์เจ้าในลําดับที่สองสิ่งที่ท่านจะรับกลับไปก็คือเมื่อได้มาวัดแล้วย่อมได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าการได้ยินได้ฟังธรรมนี้ก็คือการศึกษาพระธรรมคําสอน ศึกษาแนวทางที่จะนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับแผนที่ที่ชี้บอกถึงถึงจุดหมายไปถึงวิธีที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่งามให้กับเรานั่นเองเพราะเราทุกคนเกิดมาล้วนมีความปรารถนา ที่จะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ปรารถนาที่จะต้องตกทุกข์ได้ยากมีความเสื่อมเสียความหายะทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่มีผู้บอกทางเราจะไม่สามารถดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลตามที่เราต้องการได้เพราะว่าเราไม่รู้จักทางนั่นเองเมื่อเราไม่รู้จักทาง เราก็ต้องอาศัยผู้ที่รู้บอกทางให้กับเราการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการฟังการบอกเล่าถึงทิศทางที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนากันนี่ก็คือประโยชน์ที่เราจะได้รับและอีกประโยชน์หนึ่งที่เราจะได้รับในการสงเคราะห์ คนดีก็คือเมื่อคนดีเขาได้รับการดูแลเขาก็มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติประกอบคุณงามความดีต่อไปเมื่อสร้างคุณงามความดีก็จะเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้ไ ด, ได้ได้เรียนแบบคนเราเวลาเราเห็นคนเขาทำอะไรเราเห็นว่าดีเราก็ทําทำตาม ก็เลยทำให้คนอื่นนั้นได้ได้เป็นคนดีเพิ่มขึ้นมาและเมื่อมีคนดีมากขึ้นไปในสังคมมากน้อยเท่าไหร่สังคมของเราก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมากน้อยเพิ่มขึ้นเท่านั้นลองคิดดูถ้าพวกเราทุกคนนั้นตั้งอยู่ในศีลธรรมคือศีลห้าคือเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติประเวณีละเว้นจากการพูดปดมมเถิดละเว้นจากการเสพสลายยามาแล้วสังคมของเราจะเป็นอย่างไรสังคมของเราย่อมอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็ยนเป็นสุขเพราะจะไม่มีภัยอะไรมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเวลาเราออกจากบ้านเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครเขาเข้ามา โมยของในบ้านเราเวลาที่เราไปที่ไหนตามลำพังก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเข้ามาจุบมาจี้มาปล้นมาทำร้ายชีวิตมาขมขืนเรานี่แหละก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมถ้าคนเราในสังคมทุกคนทำความดีกันและการที่เราจะทำความ ค น, คนเราทุกคนจะทำความดีได้ก็ต้องมีคนนำหน้าก่อนคนคนนำหน้าคือคนทำเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนเมื่อเห็นแล้วก็จะได้เกิดมีความศรัทธาว่าเห็นว่าการทำความดีนี้ดีจริงๆแล้วก็จะทำให้ทุกคนทำตามเมื่อทำตามแล้วทุกคนในสังคมก็จะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข นี่แหละคือความเจริญที่แท้จริงของมนุษย์เราความเจริญที่แท้จริงก็คือการได้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีภัยต่อกันและกันนี่คือความเจริญของมนุษย์ไม่ใช่อยู่ที่การมีสิ่งของต่างๆวัตถุสิ่งของต่างๆมากมายกายกองอย่างที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ รอบตัวเรานี้เรามีวัตถุเข้าของมากมายแต่เราไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเราไม่มีความสงบสุขก็เป็นเพราะว่าคนในสังคมนั้นยังไม่ใช่เป็นคนดีคือยังมีคนไม่ดีในสังคมอยู่มากที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่น ดังนั้นถ้าเราต้องการให้สังคมของเรานนั้นเป็นสังคมที่เจริญอย่างแท้จริงเราจึงต้องหันมาพัฒนาตัวเราก่อนเมื่อเราพัฒนาตัวเราแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากการเป็นคนดีของเราเพราะเมื่อเป็นคนดีแล้วเราก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเมื่อไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ผู้อื่นเขาก็ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราก็จะอยู่ได้ด้วยความล่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งและเราก็จะเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นให้เห็นถึงประโยชน์ของคุณของความดีแล้วก็จะทําให้ผู้อื่นได้ทําตามแล้วเมื่อทุกคนเริ่มทําตามแล้วต่อไปทุกคนก็จะกลายเป็นคนดีหมด เมื่อเป็นคนดีแล้วสังคมเราก็จะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้เราจะไม่มีสมบัติวัตถุเข้าของมากมายกายกองกระตามแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญตราบใดถ้าเรามีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพพอเพียงคือถ้าเรามีปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหง่ม อย่ารักษาโรคและที่อยู่อาศัยตามอัตภาพเท่านี้ก็พอเพียงแล้วเราหันมาสร้างคุณงามความดีกันดีกว่าเพราะเมื่อเราทำความดีแล้วใจของเราจะมีความสงบเพราะความดีนี่แหละจะเป็นตัวที่จะเข้าไปทำให้ใจของเราสงบเหตุที่ใจของเราไม่สงบก็เพราะว่าใจของเราขาดความดีขาดบุญขาดกุศล ที่จะเข้าไปชำระไปขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเราที่เรียกว่ากิเลสตัณหานั้นเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงคนเราถ้าไม่มีกิเลสตัณหาแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วแต่เหตุที่พวกเราทุกคนยังอยู่นิ่งเฉยๆไม่ได้ ก็เพราะว่าเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ทั้งๆที่สิ่งที่มีความจําเป็นต่อการดํำรงชีพเราก็มีครบบริบูรณ์แล้วเรามีบ้านอยู่เรามีอาหารรับประทานเรามีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรคแต่ใจของเรากับมีความหิวมีความกระหายอยากสิ่งต่างๆอยากจะได้สิ่งต่างๆอยากจะเที่ยว อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนาอยากจะมีตำแหน่งสูงๆอยากจะให้คู่อื่นสรรเสริญยกย่องอยากจะมีความสุขจากการเที่ยวเตรจากการเสพการบงคณทั้งหลายคือรูปเสียงกลภภิ่นรสโผฏฐพะ นี่ก็คือปัญหาของใจเราใจของเรานั้นยังไม่ได้รับการขัดเกล่านั่นเองเราไม่ได้ให้ความสนใจกับการทำความดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเราหันมาทำความดีให้มากยิ่งขึ้นไปแล้วต่อไปใจของเราจะเป็นใจที่สงบเย็นเป็นใจที่มีความอิ่มมีความพอเมื่อมีความอิ่มมีความพอแล้ว เราก็ไม่ต้องมีอะไรมากพวกเราทุกคนทุกวันนี้เราก็แสวงหาความสุขความสุขก็คือความอิ่มและความพอแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราไปคิดว่ามันอยู่การสะสมเงินทองเข้าของสมบัติต่างๆการแสวงหาตาแหน่งสูงๆการมีคนสรรเสริญการมีการมสุขนี่เป็นความเข้าใจผิด ขใจเราก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะบอกความจริงให้เราทราบ ว, ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆภายนอกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์ความจริงข้อนี้มาแล้ว พระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังไม่ได้ออกบวชยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนพวกเราและดีกว่าพวกเราด้วยซ้าไปเพราะพระพุทธองค์มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของลาบยศสารเสริญสุข<ม>แต่พระพุทธเจ้าเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่สังเกตดูใจของพระพุทธองค์อยู่ก็เห็นว่าถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางของ ราบยศสารเสริญสุขก็ตามแต่ภายในใจก็ยังมีความทุกข์อยู่มีความเศร้าหมองมีความวิตกมีความกังวลมีความกลัวอยู่นี่ต่าหากคือปัญหาของใจเราพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงมีอยู่คือราบยศสารเสริญสุขนี้ไม่สามารถมาทําให้จิตใจมีความสงบสุขได้ มีความอิ่มมีความพอได้จึงได้ตัดสินพระทัยสละกลาบยศเสริญสุขของรูปของพระเจ้าแผ่นดินแล้วแสวงออกบวชเพื่อแสวงหาความสุขของจิตใจที่แท้จริงด้วยการปฏิบัติธรรมนั่นเองการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นการทําความดีอีกระดับหนึ่งในเกณฑ์นีบอก ถึงเรื่องการทำบุญให้ทานสงเคราะห์ผู้อื่นนั่นก็เป็นการทำความดีในเบื้องต้นเมื่อเราทำบุญทำทานแล้วในลำดับต่อไปเราก็ควรที่จะรักษาสิ่ปฏิบัติธรรมเพราะนี่เป็นการทำความดีที่สูงขึ้นไปเป็นการเข้าไปชําระทาลายกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่มีอยู่ภายในใจ ไห้หมดสิ้นไปนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติอยู่ถึงหปีด้วยกันหลังจากที่ได้สละราชสมบัติแล้วเงินทองเข้าของต่างๆที่มีอยู่ทั้งหลายทรงสละหมดสิ้นแล้วมาอยู่แบบนักบวชเป็นขอทานออกบิณฑบาต ท, ทุกวันอาศัยผู้อื่นเป็นผู้เลี้ยงดูที่อยู่ก็อยู่ตามมีตามเกิดตามโคนมไม้บ้าง ในถ้ำบ้างเป็นต้นยารักษาโรค ก, ก็ใช้ยาดองน้ำมุดเน่าส่วนผ้าครองคือจีวอนก็หาเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆตามกองขยะตามปา่าช้าแล้วนำมาประติดประตอบให้เป็นผืนผ้า ืนใหญ่ให้เป็นจีวรขึ้นมาแล้วใช้นุ่งห่มผ้าแบบนั้นนั่นแหละคือความจำเป็นของนักบวชมีเท่านั้นแต่สิ่งที่นักบวชสนใจมากกว่าปัจจัยสี่ก็คือการปฏิบัติชำระจิตใจพระตราบใดถ้ายังมีกิเลสตัณหาคือมีความโลภโกรธหลงมีความอยากต่างๆอยู่ในใจอยู่ ต่อให้มีสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาต่อให้เป็นภาะมหาจากักรพรรดิก็จะยังไม่มีความสุขยังยังมีความหิวมีความกระหายมีความวิตกมีความหวาดกลัวอยู่อย่างนั้นไปเสมอเพราะสิ่งเหล่า น, นี้เกิดจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของคนเราเราจึงต้องปฏิบัติธรรมกัน เพราะการปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นการกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นซาบออกไปจากจิตจใจ <c oughs> และพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปฏิบัติอยู่จนกระทั่งในที่สุดก็สามารถชําระจิตใจชําระพระทัยของพระองค์ให้สะอาดหมดจดสิ้นความโลภความโกรธความหลงสิ้นความอยากทั้งสาคือ ความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์สามารถกำจิตกาจัดให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการทำจิตให้สงบในเบื้องต้นเมื่อจิตสงบแล้วก็สอนจิตให้รู้ถึงเหตุถึงผลของ ของสุขและทุกข์ว่าเกิดจากอะไรเมื่อรู้แล้วว่าเหตุของสุขเป็นอะไรอะไรก็เจริญเหตุนั้นเมื่อรู้ว่าเหตุของความทุกข์เป็นอะไรก็ลดละเหตุของความทุกข์นั้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากทั้งสามนั้นมีเองก็ต้องต่อสู้ต้องฝืนทุกครั้งที่อยากจะมีกา ร, ม, การมีการมาสุขก็ต้อง ฝืนไม่ไปแสวงหาการมุสุททุกครั้งที่อยากจะมีอยากจะเป็นก็ต้องฝืนไม่ให้มีไม่ให้เป็นทุกครั้งที่ไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นก็ต้องฝืนการไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี้ก็หมายถึงการไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัดพลากจากของที่เรารักอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นความไม่อยาก ก็เป็นสิ่งที่จะต้อ ง, งระงับดับความไม่อยากความไม่อยากกันนี้ให้ได้เพราะว่าต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดาคนเราทุกคนที่อยู่ในศารานี้ไม่มีใครที่ไม่ตายกันเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายกัน เมื่อเราทําความเข้าใจแล้วเรายอมรับความจริงนี้ได้เราก็จะระนับดับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เมื่อเราระงับตัวนี้ได้ใจของเราก็จะไม่วุ่นวายกับความแก่กับความเจ็บกับความตายเพราะเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งปกตินี่แหละ ว, วิธีที่เราจะต่อสู้ ชำระตันหาความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราด้วยการปฏิบัติธรรมเวลาเราอยากจะทําอะไรถ้าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าไม่ใช่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําเราก็ไม่ต้องทําถ้าอยากจะถ้ายังถ้ายังอยากจะทําอยู่เราก็นั่งสมาธิเสียมา ทำสมาธิแทนที่จะไปทำในสิ่งที่เราอยากทำเช่นสมมุติว่าเราอยากจะออกไปเที่ยวแล้วเราพิจารณาว่าการออกไปเที่ยวนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีความจําเป็นต้องทำคือไม่ได้เที่ยวก็ไม่ตายเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสู้เอาเวลาที่เราอยากที่จะออกไปเที่ยวนี้มานั่งทาสมาธิดีกว่าก็บังคับใจของเราให้อยู่ในบ้านให้นั่งทาสมาธิไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ กำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ได้นั่งไปนานๆเท่านานเท่าที่จะทำได้อย่างนี้เมื่อทำไปแล้วถ้าจิตเกิดความสงบขึ้นมาความอยากที่อยากจะออกไปเที่ยวมันก็หายไปเพราะความอยากนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็จับได้เหมือนกันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง อารมณ์ต่างๆในใจของเรานี้ก็ล้วนแต่มีการเกิดดับเกิดดับเป็นธรรมดาถ้าเราฉลาดเรารู้ทันเราปล่อยให้มันเกิดแล้วทิ้งไว้สักพักมันก็ดับของมันเองแต่ถ้าเราไม่ฉลาดเราเราโงา่เราก็จะกระโดดรับความอยากนั้นทันทีเวลาอยากจะไปเที่ยวก็ต้องออกไปทันทีเวลาอยากจะไปกินก็ต้องออกไปทันทีโดยที่เราไม่เคยใช้ปัญญา คือเหตุผลมาพิจารณาก่อนเลยว่าจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องไปเที่ยวจะต้องไปกินถ้าไม่จําเป็นเราสู้รู้อยู่เฉยๆดีกว่ารู้ว่าความอยากนี้ก็สักแต่ว่าเป็นอารมณ์อย่างหนึง่งเมื่อเกิดขึ้นมาได้ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ดับของเขาได้เหมือนกันเราไม่ต้องไปวิ่งตามเขาตามคำสั่งของความอยากนี่ก็คือวิธีที่เราจะใช้ต่อสู้ กับความอยากเป็นการทำลายความอยากให้เบาบางลงไปจนหมดไปในที่สุดเมื่อไม่มีความอยากแล้วจะมีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับเราจะมีอะไรมาสร้างความหิวความกระหายให้กับเราไม่มีใจของเราจะเป็นจิตใจเป็นใจที่มีความอิ่มมีความพอมีความสุขเมื่อมีความมีความสุขมีความพอแล้วจะไปหาอะไรอีก ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปหาอะไรทั้งสิน้นดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ไปแสวงหาอะไรอีกเลยไม่ได้อยากจะเป็นอะไรทั้งสิน้นไม่ได้อยากจะมีอะไรทั้งสิน้นอยู่ก็อยู่ทาประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นสั่งสอนเรื่องราวที่พระพุทธองค์ได้สัมผัสมา ให้เขาได้รู้ได้เห็นถึงความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนพวกเราทุกคนในวันในขณะนี้เรายังอยู่ในถ้ากลางความหลงอยู่แล้วถูกความหลงหลอกให้เราออกไปหาความทุกข์แทนที่จะหาความสุขเราไปหาความทุกข์กันเหมือนคนที่ติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดเขาก็คิดว่าเขากําลังหาความสุขเวลาที่เขาเสพยาเสพติด เขาก็คิดว่าเขามีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่เป็นส่วนน้อยเพราะหลังจากเสพไปแล้วก็ต้องติดยาเสพติดวันไหนเวลาไหนไม่มียาเสพติดให้เสพก็จะต้องทุกข์ทรมานอย่างยิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้พวกเราก็เช่นกันพวกเราก็ออกไปวิ่งหาเงินทองหาราบยศสารเสิญสุขกันเวลาเราหามาได้เราก็มีความสุขกัน แต่เวลาที่เราไม่มีเช่นเงินทองขาดมือไปเราก็มีความทุกข์กันเวลาที่เราอยากจะออกไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็มีความทุกข์กันนี่แหละจะบอกว่าเรากาลังวิ่งหาความทุกข์กันเราไม่ได้วิ่งหาความสุขกันถ้าเราจะวิ่งหาความสุขเราต้องทำใจของเราให้นิ่งเราต้องหยุดใจของเราให้ได้ถ้าเราชนะใจเราได้แล้ว เราอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านเราก็มีความสุขถึงแม้ไม่มีเงินทองเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรถึงแม้จะไม่มีข้าวกินบางมือก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะใจของเรานี้มีกําลังที่จะต่อสู้กับความหิว